บุพกรรมของการได้มหาบุริษะลักษณะภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีภายนอกจำมนมหาบุริสลักษณะได้ก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าการที่มหาบุุษได้ลักษณะอันนี้อันนี้เพราะทำกรรมเช่นนี้เช่นนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตาขาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในพบที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลถือมั่นในการยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมานดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล และในอธิกุศลธรรมอื่นเพราะได้กระทาได้สร้างสมได้พอกพูนได้มั่วสมกรรมนั้นนั้นไว้ภายหลังแต่การตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ต ถ, ถาคตนั้นถือเอายิ่งกว่าในเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวั น, นทิพสุขทิพ ยศทิพอธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพสัมผัสทิพครั้นจุติจากพบนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบริสาลักษณะข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอจดลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกัน คือลักษณะที่หนึ่งยอมเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นต่อค่าสึกทั้งภายในและภายนอกคือราคะโทสะโมหะก็ตามสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกที่เป็นสตรูภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้ถวายทานมีเครื่องบริวารเพราะได้กระทากรรมนั้นๆไว้ครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาภริสาลักษณะข้อนี้คือภายใต้ฝ่าเท้ามีจักทั้งหลายเกิดขึ้น มีซี่ตั้งพันธุ์พร้อมด้วยกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงมีระยะอันจัดไว้ด้วยดีคือลักษณะที่สองยอมเป็นผู้มีบริวารมากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อาสูรนาคคนทันยอมเป็นบริวารของตถาคต ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เว้นจากปานติบาตวางแล้วซึ่งสัตราและอาชยามีความละอายเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งปวงเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปริสาลักษณะ ทั้งสามข้อนี้คือมีส้นยาวมีข้อนิ้วยาวมีกายตรงดุดกายพรมคือลักษณะที่ส4และ15ย่ยอมเป็นผู้มีชนมายุยืนยาวตลอดกาลนานสมณะหรือพรามเทวดามานพรมก็ตามหรือใครๆที่เป็นศัตรู ไม่สามารถปรงชีวิตตถาคตเสียในระหว่างได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ให้ทานของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มมีรถอันประนีตเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้ว จึงได้มหาปริษสาลักษณะข้อนี้คือมีเนื้อหนูหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองที่บาททั้งสองและที่คอคือลักษณะที่16ย่อมได้ของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิม้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังหาวัตถุทั้งสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์ผู้อื่นและความมีตนเสมอกันเพราะได้กระทํากรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มาหาปุริษาสลักษณะสองข้อนี้คือ มีมือและเท้าอันอ่อนนุ่มมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุดตาข่ายคือลักษณะที่5และ6ยยอมเป็นผู้สงเคราะห์บริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันียอมได้รับความสงเคราะห์จากตถาคต ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดด้วยธรรมแนะนำชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชนทั้งหลายตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทากรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปริศลักษณะ สองข้อนี้คือมีข้อเท้าอยู่สูงมีปลายขนชอนขึ้นคือลักษณะที่7และ14ย่อมเป็นผู้เลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้บอกศิลปวิทยาก็ประพฤติด้วยความเคารพด้วยหวังว่า สัต์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วพึงปฏิบัติได้รวดเร็วไม่พึงเศร้าหมองสิ้นกาลนานเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปริษาทลักษณะข้อนี้คือมีแข้งดังแข้งเหนือสายคือลักษณะที่8ยอมได้วัตถุอันควรแก่สมณะ เป็นองค์แห่งสมณะเป็นเครื่องอุปโภคแก่สมณะโดยเร็วภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณะพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านผู้เจริญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพทำอะไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอะไรมีประโยชน์เป็นสุขไปนานเพราะได้กระทํากรรมนั้นๆรันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาบริสัรลักษณะข้อนี้คือมีผิวละเอียดอ่อนทุลีไม่ติดอยู่ได้คือลักษณะที่สิบสอง ยอมเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาเครื่องปลื้มใจ ป, ญญปัญญาแหลนปัญญาแหลมปัญญาแทงตลอดไม่มีสัตว์อื่นเสมอหรือยิ่งไปกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อตาขาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมาก ว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ขุมแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและนุ่งหม่มอันมีเนื้อละเอียดอ่อน เพราะได้กระทากรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปริษาลักษณะข้อนี้คือมีกายดุดทองมีผิวดุดทองคือลักษณะที่11ย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและหม่มมีเนื้อละเอียดอ่อนภิกษุขทั้งหลาย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 รอยชื่นชมยินดีด้วยเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาภริษาลักษณะข้อนี้คือมีคุยหาฐานคืออวัยวะที่ลับซ่อนอยู่ในฝกักเป็นลักษณะที่สิบยอมเป็นผู้มีบุตรในวงเล็บสาวกมากมีบุตรกล้าหาญ มีแววแห่งคนกลา้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำหยีไม่ได้หลายพันภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างวิเศษในชนชันน้นนั้นๆเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆรันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาบริษาลักษณะสองข้อนี้คือมีสวดทรงดุดต้นใจยืนตรงไม่ย่อกายลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองคือลักษณะที่19และ9 ยอมมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคามากทรัพย์ของตถาคตเหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหหริทรัพย์คืออดต ป, ปะทรัพย์คือการศึกษาในวงเล็บสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ใครต่อประโยชน์ใครต่อความเกื้อกูลใครต่อความผาสุกใครต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าชไนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผยแผ่ด้วยธรรมด้วยปัญญา ด้วยซัย์และข้าเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรยาด้วยทาตกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวก้องเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาบริสารลักษณะสข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุดสีหะ มีหลังเต็มมีคอกลมคือลักษณะที่ 17, 18และย่ยอมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้ไม่เบ็ดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามสาตราก็ตามเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปุริษาลักษณะข้อนี้คือมีประสาทรับรสอันเลิศมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดแล้วที่คอ รับรสโดยสม่ำเสมอคือลักษณะที่ย่อยอมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความร้อนแห่งกายเป็นวิบากอันสม่ำเสมอไม่เย็นเกินร้อนเกินพอควรแก่ความเพียรภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควัก ไม่จ้องรับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาปุลิสาลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุดตาโคคือลักษณะที่29สและส0ิ ย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคุนทันภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ได้เป็นประธานของชนเป็นอันมากในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการประพฤติเกื้อกูลในมารดาบิดาสมณพราหมณ์การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลในอธิกุศลธรรมอย่างไดอย่างหนึ่งเพราะได้กระทำกรรมนั้น รันมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มาหาบริสาลักษณะข้อนี้คือมีสีสะรับกับกรอบหน้าคือลักษณะที่32ย่อมเป็นผู้ที่มหาชนประพฤตตามคือพิกษุพิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทัน ประพฤตตามภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ล่าว้นจากมุสาวาตพูดคำจริงลังคำสัตว์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกหลวงโลกเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาภุริษาสลักษณะสองข้อนี้ คือมีขนกลุ่มละเส้นมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุดสำลีคือลักษณะที่13และ31อยอมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิดคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนา คนทันใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ลาวเวนวาจาสอดเสียดคือคำยุให้แตกกันคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนพวกนี้ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายชนพวกโน้น เป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้วและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพียงกันเป็นผู้ยินดีในการพร้อมเพียงเพลินในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทาให้เกิดความพร้อมเพียงเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆรัดมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสารักษณะสองอย่างนี้คือ มีฟันครบ44มีฟันสนิทไม่ห่างกันคือลักษณะที่23และย่ยอมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อาศุนนาคนทัน เป็นบริษัทไม่กระจัดกระจายพิกษุนทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ล่าเว้นการกล่าวคําหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแกห่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคําพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมาก เพราะได้กระทากรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ย่อมได้มาหาบริษาลักษณะสองข้อนี้คือมีลิ้นอันเพียงพอมีเสียงเหมือนเสียงพรมพูดเหมือนนกกระเวกคือลักษณะที่27และ28ย่อมเป็นผู้มีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อเชื่อฟัง คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเอื้อเฟือเฟ้อเชื่อฟังภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ล่าเว้นการพูดเพอเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคําจริงกล่าวเป็นธรรม กล่าวมีอัดกล่าวเป็นวินัยกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์เพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วย่อมได้มาหาบริสัทลักษณะข้อนี้คือมีคางดุดคางราชสีคือลักษณะที่22ย่อมเป็นผู้ที่ศัตรู ทั้งภายในและภายนอกกำจัดไม่ได้ศัตรูคือราคะโทสะโมหะหรือสมณะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกกำจัดไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบ วินจากการช่อโกงด้วยแต่ช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงวินจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำ้ายการปล้นการกันโชคเพราะได้กระทำกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาบริสารลักษณะ สองข้อนี้คือมีฟันอันเรียบเสมอมีเขี้ยวขาวงามคือลักษณะที่24และย่ยอมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูนหน้าคุนทัน เป็นบริวารอันสะอาด